สิกขาบทที่ 6. ภิกษุนีจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ตั้งใจว่าจะจำพรรษาแล้วจัดแจงเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณต้องอาบัตทุกกฎ 2. พออรุณขึ้นต้องอาบัตปาจิตตี